เ, เหตุการณ์ครั้งสงครามโลกครั้งที่สองท่านพระอาจารย์เล่าว่าคราวนั้นท่านพักอยู่ดอยอะไรจำชื่อไม่ได้แต่เป็นชาวลีซอท่านไม่ได้สนใจเรื่องภายนอกมีแต่พิจารณาธรรมภายในจ้าวันหนึ่งไปบินทบาตสังเกตเห็นชาวบ้านจับกลุ่มสนทนากันมีท่าทางตื่นเต้นฟังไม่ค่อยรู้ภาษา จำได้แต่ว่ายาปานยาปานพอกลับถึงวัดท่านเลยถามเป็นภาษาคำเมืองว่าเขาพูดอะไรกันได้ความว่าทหารยาปานคือญี่ปุ่นบุกขึ้นประเทศไทยที่เมืองสงขลาการรบได้เป็นไปอย่างหนักหน่วงมีแม่ค้าที่ขายของเป็นประจำในตอนเช้าเข้าร่วมรบด้วยมีันหน้าเชื่อหนังสาวกอบกุลพร้อมนักรบแม่ลูกอ่อน มีทั้งแม่ลูกหนึ่งลูกสองท่านได้ฟังแล้วก็ยิ้มกับชาวบ้านถามว่านักรบแม่ลูกอ่อนก็มีด้วยหรือต่อมาได้มีคำสั่งจากรัฐบาลถึงกองทัพให้ทหารไทยหยุดยิงโดยอ้างว่ายุ่นไม่ต้องการรบกับไทยขอผ่านเฉยๆแต่ทหารไทยประจำแนวหน้าพร้อมนักรบแม่ลูกอ่อนก็ไม่หยุดยิงไม่ถอยทหารญี่ปุ่นขึ้นบกไม่ได้ตายเขียวไปทั้งทะเลว่าอย่างนั้น จนรัฐบาลต้องส่งกองทหารอื่นเข้าไปสั่งให้ทหารญี่ปุ่นหยุดยิงขอสับเปลี่ยนกองทหารทับแนวหน้าและนักรบแม่ลูกอ่อนจึงได้หยุดยิงถอยเข้ากรมกองฝ่ายกองทัพญี่ปุ่นจึงขึ้นบกได้ท่านก็ไม่ได้ถือเอาเป็นอารมณ์คิดว่าเป็นกรรมของสัตว์จเจริญสมณธรรมตา ม, ตามปกติวันรุ่งขึ้นพอจวนจะสว่างท่านวิตกขึ้นว่า จะตาประเทศไทยจะเป็นอย่างไรหนอปรากฏนิมิตว่าประเทศไทยคล้ายภูเขาสูงบนยอดมีธงไทยสามสีปลิวสะบัดอยู่และมีพระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่เหนือธงชัยมองดูตินเขาลูกนั้นมีธงชาติต่างๆปาปักล้อมรอบเป็นแถวแถวท่านพิจารณาได้ความว่าประเทศไทยไม่เป็นอะไรมากนอกจากผู้มีกรรมเท่านั้น และต่อไปนานาประเทศจะยอมรับนับถือเพราะประเทศไทยพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้เบียดเบียนรังแกข่มเหงเพื่อนมนุษย์และสัตว์และประเทศไทยก็ไม่เคยข่มเหงประเทศใดนอกจากป้องกันตัวเท่านั้นชาติต่างๆจึงยอมรับนับถือเป็นกันลยาณมิตรอีกคราวหนึ่งท่านพักที่ดอยมูเซ วันหนึ่งพระสยามเทวาธิราชพร้อมทั้งคณะเทพบริวารไปกราบน้มาสการท่านพระอาจารย์ท่านกำลังเดินจงกรมอยู่พอรายงานตัวเสร็จท่านถามวัตถุประสงค์พระสยามเทวาธิราชตอบว่าเวลานี้ฝ่ายสัมพันธมิตรได้มาทิ้งระเบิดที่กรุงเทพอย่างหนักหน่วงพวกข้าพเจ้าป้องกันเต็มที่ท่านถามว่ามีคนบาดเจ็บล้มตายไหมตอบว่ามี ท่านพระอาจารย์ถามว่าทำไมไม่ช่วยตอบว่าช่วยไม่ได้เพราะเขามีกรรมเวรกับฝ่ายฆ่าศึกจะช่วยได้แต่ผู้ไม่มีกรรมสถานที่สำคัญและพระพุทธศา ส, สนาเท่านั้นท่านพระอาจารย์ถามว่ามานี้ประสงค์อะไรเขาบอกว่าขอให้ท่านบอกคาถาปัดเป่าลูกระเบิดไม่ให้ตกถูกที่สำคัญด้วย ท่านได้ฟังจึงกำหนดพิจารณาหน่อยหนึ่งได้ความว่านโมวิม an ah ุตตานังนโมวิมุตติยาเท่านั้นเองเทพขนานั้นก็สาธุ ก, การแล้วลากลับไปไม่เห็นกลับมาอีกเลยหมายเหตุผู้บันทึกเสียง สำหรับพระสยามเทวาทิราชนั้นต้องเข้าใจนะครับว่าไม่ได้มีองค์เดียวครูบาอาจารย์ท่านว่ามีหลายองค์เป็นผู้ที่นับถือพุทธและผูกพันกับประเทศไทยเมื่อตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาก็ยังคงมาคอยคุ้มครองตามกำลังในความเป็นจริงเทวดาก็ไม่ต่างกับมนุษย์มีความศรัทธานในศาสนาแตกต่างกันถ้าสะสมกุศลจิตไว้มากก็ไปสวรรค์ ถ้าสะสมอากุศลไม่มากก็ไปอบายภูมิซึ่งสิ่งแวดล้อมจะผันแปรตามวิบากในจิตของแต่ละคนแม้สวรรค์ชั้นเดียวกันแต่อาจมีสภาพแวดล้อมแตกต่างกันได้แต่ที่เหมือนกันคือสุขทุกข์กที่ได้รับทางใจยกตัวอย่างให้เห็นง่ายคือคนที่ชอบทุเรียนตายไปถ้ายังติดใจในรสทุเรียนยอมเกิดอาหารทิพเป็นทุเรียนให้ได้กิน แต่ถ้าคนไม่ชอบก็จะไม่ได้เจอสิ่งเหล่านี้อันนี้แค่เปรียบเทียบนะครับบุญคือที่มาของความสุขความสุขของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันจิตยิ่งปราณีตก็ยิ่งได้ทิพยพยาสมบัติปราณีตการที่แต่ละชาติตายแล้วฟื้นและมาเล่าถึงโลกหลังความตายไม่เหมือนกันก็ด้เหตุที่ไปเจอสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันตามกาลังบุญหรือจริตของแต่ละคน บุญเหมือนคนรวยมีเงินจะตกแต่งบ้านตามที่ตัวเองต้องการอย่างไรก็ได้ความเคยชินสมัยเป็นมนุษย์นั้นย่อมส่งผลหลังตายเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในสวรรค์ชั้นต้นๆที่บางภพอาจมีสภาพไม่ต่างจากโลกมนุษย์และแบ่งเป็นท้องถินที่แตกต่างกันมีการนับถือศาสนาที่ต่างกันด้วยความยึดมั่นในลัทธิของตน เกี่ยวกับเรื่องหลังความตายแนะนำให้ฟังจาก ง, งานของสำนักพิมพ์ของอาจารย์พรรัตนสุวรรณซึ่งถือว่าเป็นผู้อธิบายเรื่องพวกนี้ได้ละเอียดและมีขัดแย้งกับหลักของพุทธธรรมที่สุดท่านหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องคาถานั้นอยากฝากให้พิจารณาว่าไม่ใช่ว่าคำไม่กี่คำใครจะท่องก็ได้ผลเหมือนกันต้องเข้าใจความหมายต้องมีอานาจจิตสูงโดยเฉพาะในความหมายเชิงลึก ถ้าเข้าใจถึงแก่นจริงจะมีผลเพิ่มพลังจิตได้มากรวมถึงเป็นพลังแห่งสัจธรรมคือหลักแห่งความจริงซึ่งคำที่ออกมาย่อมมีอนุภาพในตัวเองระดับหนึ่ง